ามทำกันนะเราจะให้หลวงพ่อใหญ่เทศเข้าไปเทศวนเริ่มามาสัตหาวาจุนี่สัก 4-5 วันเราดูที่นี่มาดูยอดโจมที่นี่อยอาเจมที่น่ารักดีอยู่กับป่ากับดงโจมชนที่เป็นคนไทยร้อยกว่าชน เป็นลักประเทศชาติเแล้วซึ่งเรองลอนร้อมวร่วมมือกันทุกทุกของก่กรบวบรอบ้านวัดโรงเรียนแ้ก็เป็นบ้าน น, น้อยแต่ก็แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่รับธงจากพับบุงลายขีนะ้ การรักบ่าแล้วก็กำลังจะเข้าประกวดตัดกายิ่งไปแล้วระดับประเทศระดับผขระดับภาคที่ตั้ดับมาแล้วและตามหาหวนมีอาจารย์ไปสอนมีไม่คีอูด เป็นผูน้นำที่นี่ฝ่ายพระสงฆ์มีอั ญ, ญ า, าไปสอนฝ่ายแม่ชีมีแม่ชีอูดมันเก็ช่างเกือบต้องเกิดอยู่ในดงนี่ก็มาร่วงกันจริงกว่าวัดป่าสุกโกโตนะพระเจ้ามจริงอย่างไรแต่บ้านก็ให้แนาร่วมกับจริงวัดร่วม เด็กน้อยมาบัดมากราบมาไหว้มีแลวเบียบเรียบร้อยให้เหมือนสุกโตนะเจ้าบ้านมาบัดมาลักพึ่งหมดมีร้อยร้อย ล, อยลางก็ปดเอาตอนกลาคืนเมื่อไรมาเอาตอนกลางวันเวลาพระหมายฉันเข้าเด็กน้อยมาวัดมาลักไก่เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ โก้คืนก็ไปได้ดะนั้นเราจึงสู้มหาวันไม่ได้จึงเชิญพู้ใหญ่หลวงพู้ใหญ่มา ด, ดูอาจิโยมก็วาด น, น้อยก็มาเข้าสิ้นอยู่เป็นประจำทีห้ากายกาย ก, ก็จะมาแล้วก็อุ่นใจที่นี่เหมือนมีที่พึ่ง ทางจิตวิญญาณสืบทอดไปตลอดโลกหลานคงจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใหญ่กันนี่เราก็มาปฏิบัติธรรมเข้าชินตามประปิณีของเราจะพุทธในเทศกาลเข้าฝรษาเจดวันด่านน้ำข้างหนึ่งสาหรับชาวบ้านอีกสี่ห้าวันก็ไปทรมาหาจิน อยู่ใน ด, ดงดงแห่งูกรถกินเสียงอันนี้ไม่ใช่ดงเนี่ยมหาวันไม่ใช่ดงเป็นที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายค่าศึกจริงได้แต่ชาวบ้านมีค่าศึกเยอะๆอยู่ในดงในป่าป่าแห่งวิชาเกี่ยวข้องกับผู้กับคนกับลูกกับหลานสิงแวดลอ้อม ต้องเช่กายเช่ใจเปิดเว้นเรื่องงานบ้างร้อมโกรธความโลภควอมหลงความพอใจไม่พอใจเหอตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กิ่นลิ้นในร่ากายด้สัมผัสอยู่ทุกเวลามีทุกมีหลน่นมีงานในการเกี่ยวห้องการเราจะปล่อยกายให้ไปย่อเอาความผิดจึงสุขเป็นทุกพอใจไม่พอใจทั้งใจด้วย ให้ข้อมูนในการในใจไม่ดีวันหนึ่งอยู่ในบ้านอยู่ในดงอาจจะหลงมากใช้กายผิดใช่ใจผิดหลงในการกระทำหลงในคำพูดหลงในความคิดบทที่สุดก็ติดกายติดใจบางทีก็ติดมากๆากกลารกปรร็นชนิดนิสาย ให้ความหลง อ, อกหน้าให้ความโกรธ อ, อกหน้าให้ความทุกข์อกหน้าให้ความพอใจไม่พอใจ อ, อกหน้าไม่มีสติเลยแต่เมื่าเข้าอุโบสถมาเข้าอยู่มาอาบมาล้างมีสติดูกายดูใจโดยรูปแบบของกรรมฐานดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิด เลาอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติจะรู้สึกตัวมันก็ล่างออกล่างบาปมันก็เพิ่มบุญขึ้นมาอะไรที่มันเกิดกับกายที่ไม่ใช่สติเป็นบาปทั้งนั้นความพอใจไม่พอใจความรักความใจความคิดห่วงใยห่วงหัวนอนคอยกับปากุกใจมีสติรู้สึกตัวเอาใช้รูปแบบปรรมฐาน เาห่างออกปล่อยทิ้งไม่ได้ปล่อยสิงหลนั้นทิ้งได้นกายในใจไม่ได้มันจะเป็นเจ้าของกายมันจะเป็นเจ้าของใจมันจะเป็นใหญ่ใหญ่ที่ไม่เป็นธรรมทรอหนกกายใจจนเป็นทุกข์ภูมิต่างได้เป็นไปสุ่บบายได้ฤีธิ์ของคนเรามันมีอาบาย ที่ไม่จเจริญว่าติตสุรกายศาสนาโลกตราชานต้องไม่มีศาสตร์สนาไม่มีสิ่งที่ปฏิบัติต่อกายต่อใจสิ่งนี้เหมือนถูกต้องเราจึง ต, ต้องมาอาบน้ำถิ่นน้ำทำเจ็ดวันมาอาบทีหนึ่งให้ได้เห็นล่งเห็นลอยยิ่งพวกเราด้หมาศทธยาพระโสดส่วนมน ไหวพระเหมือนกับฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงแล้วก็ได้ว่าออกไปทางวาจาจิตใสใจเตามเอาบรรลุไปเน้นลงไปใส่ใจลงไปตรงไหนมันเมื่อเปนไม่เห็นอะไรก็สองแสงสว่างลงไปตรงไหนที่มันควบไว้ก่อนหน่อยขึ้นมาตรงไหนที่มันปิดเปิดออกมาโดยคำพูด พอ เ, เจ้าอุบขึ้นแล้วในโลกนี้ความเพ่งพระธรรมคำสอนนั้นไปไปทางอกจากทุกข์ว่าลงไปฉีดลงไปถึงไว้ใจเรานี่เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นใบเพื่อนิพพานีดลงไปมันเพื่อนิพพานความหลงเพื่อผไม่หลงความโกรธเพื่อผามไม่โกรธ ค, ความทุกข์เพื่อความไม่ทุกข์ ที่ผ่านไปทางนี้หัดเดินทางใจหัดเดินทางใจใจก็มีทางเดินถ้าไม่หัดเดินมันก็เดินไม่ถูกเงืดอนแตด้านจนจนใจไม่มีทางไปจนตัวควมหลงจนโตัวควมทุกข์ชนตัวควมโกรธ เราประมาทเรามีกายมีใจนี่ประมาทไปได้ว่าจะไม่รือใช่มันห้คุ้มค่าเราเกิดมาได้กายได้ใจมานี่เป็นรูปเป็นนามนี่เอามาใช้ให้มันดีให้มันได้ประโยชน์มันเป็นมรรคเป็นผลมันจึงจะมีค่าให้สมกับเราได้เกิดมาจาก ด่ามันดาพ่อแม่เราจะทําไม่ได้ลูกต้องทําได้เน้นว่าพ่อแม่เราก็มี น, มนี่พ่อแม่เราคือกายคือใจนี่เราจะไม่เอากายไปทําความชั่วเราจะไม่เอาใจไปคิดชั่วลูกพ่นี่แม่นี่เราเป็นคนหนึ่งมองตนอยู่จากนี้ อย่าให้เสียนเลือดเสียเหงื่อเสียนน้ำนมอยอดเหงือ่อแรงงานของพ่อของแม่ตอบแทนด้วยความดีที่ลูกเป็นคนดีลักพ่อลักแม่เราก็ต้องเป็นคนดีลักหัวลักเมียก็ต้องเป็นคนดีไม่ใช่เป็นความรักด้วยจิตใจอาไลอาวอนลักนี่เป็นก็เศร้าหมอง มันมีคู่กับด้วยความรักกัาเป็นความแชนความโกรธฆ่ากันตายเดี๋ยวจึงน่าสอนง่ายสนใจเราให้มันยุกเงือกขึ้นมาเมื่อวานนี้ไปวัดป่าชุกโต้เจ้าบ้านตายแม่ก็ตายไปแล้วพ่อกับบานตายอยู่เมือบหวานนี่มาบวชโยนศพ ของต่เลยพูดว่ามีแต่ลูกชายมาบวดยกมือขึ้นโดยชริยกมือข้างขวัวขึ้นโดยจริงทุกคนยกมือขึ้นนี่ลูกของพ่อของแม่พ่อแม่เราไม่มีแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้แทนพ่อแม่จะทำดีแทนพ่อแทนแม่าเสียออกเสื่อใจ อย่าทะเลาะไปวาดกันให้สมหงสมัคคีกันมากขึ้นพ่อแม่เราไม่มีแล้วเราต้องใกล้ชิดกันกว่าเเก่ารักกันมากกว่าเก่าะสมัครคีกันเห้มากดูแลกันอย่าโทษจะทิ้งน้ำลงมตะคุลอย่าทะเลาะวาดกันดูแลกันตั้งจิตใจทุกคนอย่างนี้ในวันที่นี่ในวันโพอสพ่อเลยบวชเนี่ย ไอ้คิดอยู่เรื่องนี้เราเองเราเองเราเอ ง, ใ, องอใจเราเองจะเป็นผู้แทนพ่อแม่ทำความดีตอบแทนคิดอย่างนี้เราไปเศร้าโศกลงหงุดหงิดปกตัวขึ้นหนังนเฉ่อเราก็เ่นกันโกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่ทุกไม่ได้สงสารพ่อแม่ ทำเชื่วไม่ได้สงสารพ่อแม่โอแม่ไม่ต้องการให้เราเป็นคนชั่วมาเข้าจิตเข้าธรเลยหลังเกิดเป็นนิมิตเป็นดีเป็นความงามของชีวิตเป็กิจกรรมของพวกเราสวัดเข้าว่าอย่างน้ยลูหลานก็เห็นก็เห็นแม่เห็นตาเห็นใจเห็นปู่เห็นย่าเข้าวัดเข้าว่า ก็อาจจะเป็นภาพเป็นชีวิตลอมสำหรับลูกหลานอยาได้ประมาณให้ภษาษางนี้มาหากันชั่วช่างสวัดหงูช่วงงูเลบลินแล้วก็ดีนันจะเป็นรอยบุญรอยความดีนันเป็นที่อาศัยที่พึ่งแล้วต็ที่พึ่งนย ร่างกายไพิ่งมันไม่ได้ใจไม่พิ่งมันไม่ได้ถ้าไม่หัดมไม่เจอศัตรูมีแต่แตลยเราเคยเป็นอกายมัเป็นทุกข์พอใจมันเป็นทุกข์ก็ไม่หัดประกอบลงโทษตัวเองคิดกับคิดแบบกัดต่อดตัวเองให้เจ็บปวดเจ็บปวดเพราะความคิดบางทีควาคิดขึ้นมาฆ่าตัวตายฆาคนอื่นได้ ไม่ได้อบรมสังสอนจิตไม่มีสตรีแล้วก็ยังเวลาใดที่เรายกหนึกเพื่อนไหวรู้จักตัวนั่นแหละเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ช่วยกายหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกเมื่อหายใจเข้ารู้สึกหาที่ออกรู้สึ ก, ยยออ ก, ก, สกจะเห็นสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจ ที่ไม่ใช่ความรู้สึกจะได้เปลี่ยนมันนั่นเห็นเห็นจริงจริงเวลานอนก่อนนอนก่อนหลับจับข้าวจับของปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนอนงามงามอางร้อห่มให้เรียบร้อยหาใจเข้าหาเใจออก มันเกิดไหลขึ้นกระดาษงอนมันก็ไม่ได้ทำงานแล้วถ้าเราไม่หัดปล่อยความคิดบ้างที่สุดเวลานอนหาเรื่องมาคิดจะนอนไม่หลับเป็นทุกข์็ความคิดเป็นอะไรต่างๆมากเมื่อไหร่นขวัญลายนี่เราต้องหงัดถ้ามนอนก็มานอนอย่าหาเรื่องมาคิดบอกตัวเอง ได้นสนอนกาวยะสอนใจเต็มที่ไม่มีใครไปทำงานทำการที่ไหนแล้วเวลานี่ใครใคก็นอนระบดแล้วเพื่อนบ้านนอนบดแล้วเรายังนอนคิดอยู่นี่ว่่ใช่การละเธอจะผิดศีลด้วยทำไมสอนมันก็อุกซนมากมันมีสมอง มันเก็บข้อมูลไว้ในสมองนี่เหมือนโปรแกรมเหมือนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลไม่ดีมันก็ใช้ออกมาในเรื่องไม่ดีมีแต่ข้อมูลไม่ดีเต็มสมองไปหมดเลยข้อมูลดีๆไม่มีเลยปิดบังความดีมืดบอดตลอดเราจึงให้ข้อมูล กายใจของเรามีสติเป็นข้อมูลที่ดีมากตามพระเจ้าโดยปฏิบัติมาจนเกิดเป็นพระพุทธเจ้านำไปสอนจนมีพระสงฆ์ัดจลู่ตามพระเจ้ามากมายพิริษัตวาฉกบาชิกาตระกูลที่เป็นพระเสกขาก็มีเป็นข้อเป็นรัว นี่เราก็มีคําสอนสติเวลาอยู่กับเราในเวลานี้อยู่กับพระเจ้ากันเดียวกันสองพันสองพยปีมาแล้วยกมือเคลื่อนพึ่งขนเข้ารู้สึกเหยื่อชันออกรู้สึกอันเดียวกันกับอยู่กับพระเจา้พจาพระเจ้าก็ทำอย่างนี้อันเดียวกันเลยอยู่กับใครก็อันเดียวกัน อยู่กับครวาา่าเจ้าโยมผู้หญิงผู้ชายอันเดียวกันอยู่กับคนหนุ่มคนแก่อันเดียวกันอยู่กับนักปวดแม่ชีพื่อสงฆกันเดียวกันเป็อนอันเดียวกันหมดเรานั่งอยู่นี่ถ้ามีชติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าไม่มีชติก็เป็นคนหลายคนต่างคนต่างคิดไปก็ออาพึ่งกันไม่ได้ถ้ามีชติแสงว่ามีที่พึ่ง ทำไรอยู่มีสตอยู่นี่เลยเคยปฏิบัติอยู่ในห้องหลวงพ่อเทียนเดินไปแล้วก็ปิดประตูไว้ทำไรอยู่หลวงพ่เอเทียนก็มีสตอยู่นี่แหละหลวงพ่อกำลังสร้างสติอยู่นี่ถ้าจะปิดประตูไว้ก็เฉงใจนึกว่านอนใช่ไ ไมนอนนั่งอยู่นี้เลยแล้วก็เห็นข้างนอกไหเหรอหนูข้างในก็ไม่เห็นเห็นแต่ข้างในทํำไงจึงเห็นข้างนอกก็ต้องเปิดประตูออกมาเปิดออกมาดูจิเห็นข้างนอกไหมเห็นหนูข้างในไหมเห็นปฏิบัติไม่เป็นอย่างนี้อย่าปิดตัว ม่เวลาลราปฏิบัติก็เห็นข้างนอกข้างในเวลามันชิดก็อยกเข้าไปอยู่ในความชิดเวลามันทุกข์ก็อยาเข้าไปอยู่ในความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีออกมาข้างนอกเวลามันเกิดเลยรขึ้นกับปลากระเบนก็อยากเข้าไปอยู่กับมันให้เห็นมันเวลามันหลงก็ไม่หลงตรงกันข้ามเวลามันทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ตรงกันข้าม เวลามันโกรก็มีความไม่โกรธตรงกันข้ามมองก็ลมุมในตัวเรานี่เมื่อเรานั่งอยู่กติเดี๋ยวนี้เห็นทั้งนอกกั ง, งในถ้าําความเพียนก็ไม่ควรจะปิดประตูเอินไกอยากถามก็ไม่กล้าถามนึกว่านอนซะ ดนั้นเรามีตรงกันข้ามถ้ามันหลงก็มีความไม่หลงแค่ให้พร้อมกันในข่าวเดียวกันถ้าปล่อยความหลงไว้ในการในใจมั่จเป็เชื่อถ้ามีหลงก็มีโกรธถ้าม่หลงก็มีโรคถ้าม่หลงก็มีทุกข์ม่หลงก็มีรักมีเขียดชังความหลงเป็นแม่ของอกุศลเป็นแม่ของบาป ก็อพอดีกับความรู้สึกตัวกับความหลงเป็นแม่ของบุญของกุศลแล้วกับความมืดพร้อมสว่างคู่กันสิ่งที่เกิดก้ากกายกใจเรานี่ถ้ามีสติ่อได้ทุกเรื่องจะเลยได้ทุกอย่างงน่าจะจนแต่ถ้าเราไม่หัดไวมันก็ไม่มีจน หลงจนในความหลงจนในความทุกข์ต่อหัดไปซะต่ได้ไม่จนดูเห็นลอยฉดเส่นไ้แล้วหัดไ่าให้มันชำนานยอมสงบแล้วก็ฝึกอย่างนี้เราสึกเราจึงลบได้ถ้าไม่ฝึกก็ไปลบไม่ได้แพ้ แพ้ความหลงแพ้ความทุกข์แพ้ความโกรธแพ้ทุกอย่างที่มันเป็นไปเป็น่ายเป็นผู้ที่มีภยัยเส็ตัวอยู่ตลอดเวลาใม้ใจก็ไม่มั่นใจตัวเองลูกจะเป็นอย่างไรเพ่งนั้นไม่ได้ใจนี่คุมร้ายคุณดีผู่แฝง มันตลลายมากเราจึงต้องหัดไว้หัดไว้ดูแลตัวเองในที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการวิีัยเท่านี้เลยมีสติเท่านี้เลยฮุม้มมีสติแบบดู้สึกตัวเล็กได้ตามวิชากรรมฐานตุนสอ น, สนตอนเจ้าขายนตนเตือนตอนเองมีสติ ก็จะอยู่เป็นสุขไม่มีภยัยชีวิตไม่มีภยัยเขาเรียกว่าพระอริยะเจ้าถ้าเป็นพระนักบวชเรียกว่าอริยะเจ้าถ้าเป็นญาติโยมอริยะบุคคลเ็นได้เป็นพระในใจไม่ใช่เป็นพระแบบสมมุติบัญญัตต่ลอยเป็นผียัดีเป็นพระโบราณท่านว่าเป็นได้ทางจิตใจนี่ ้วก็มีเป็นที่พึ่งของคนได้โดยดีก็เป็นบุญโดร้อยก็เป็นบาปทำบุญในศาสนาทาใจออกมาจากใจถ้าไม่มีใจก็ทำอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งกายทั้งวาจา อันนี้จะเป็ น, นพระเตืนกันเจ้าเสียงตัวจะไปทำวัดจอดมนต่อตี5้าตากรัวชาวบ้านจะมาตีห้าทุกวันที่นี่ก็ทำวัดตีสี่ครึ่งวันนี้พิเศษเพราชาวบ้านตีห้าไกลเนาะอันนี้ก็โมทนาก็จะชม